ตอนตอบคำถามข้อนักเรียนชั้นมัธยมปลาย4ถึง6วันที่ 22-24 ถึงมิถุนายน2559ตอนที่หนึ่งก็พวกครูในานามศูนย์พลานคอยนะยินดีต้อนรับลู ก, ลกๆทุกคนเข้ามาค่ายนี้เวลาสั้นๆสองวันครึ่งนะโปรแกรมแรกพกครูเอาตัวนี้มาโชว์เพราะว่ามันสำคัญมากลูกบางคนไม่เข้าใจว่าอเอ๊ะ เรียนก็เหนื่อยแล้วทํางานก็เหนื่อยแล้วยังจะต้องให้ไปไปเต้นไปอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะนะบางทีเราเราเราคิดไม่ถึงพวกครูอยู่กับสิ่งนี้มายี่สิปีลูกนะด็ อ, อร์ก้อยที่เป็นเจ้าของโรงเรียนก่อนพิทักษ์เนี่ยเข้ามาปฏิบัติแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็ส่งครูมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมาสามร้อคนมาอยู่ที่เหมาเครื่องบินมาสองลำลูกนะแล้วก็กลับไป เขามีคู5 0 0แต่ที่นี่บรรจุได้3า0รอเพราะคูกำลังสร้างเพิ่มอีก32เมตรนะต่อไปบรรจุได้ได้ห้าหคนแต่เขาทำจริงกเราเป็นเราเป็นต้นตำลักเขามาฝึกแล้วแต่เขาเขาพร้อมกว่าเรานะเมื่อเขาทำแล้วโรงเรียนเขาดีขึ้นเขาก็ให้168เรามา168ที่เราเรียนทุกวันนี้เนี่ยเป็นของพี่ชายเขาดรเก่งเป็นบริษัทเดียวที่ทำเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทอดไปทั่วประเทศ ตอนนี้โรงเรียนประจำจังหวัดอุบลคือโรงเรียนนาลีนุ ก, กูลเนี่ยก็ใช้168นะก็คือเราแลกเปลี่ยนเข า, าเอาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอารมณ์ของเราไปที่นี่เขาก็ เ, าเรื่องวิชาการมาให้เรานะก็ค่ายนี้เนี่ยนะพ่อครูบอกคุณครูว่าคุณครูจะบันทึกคะแนนพวกเรานะเทอมนี้ทั้งเทอม เริ่มจากค่ายนี้เลยค่ายนี้เนี่ยรวมคะแนนได้ 30% แล้วก็ตลอดเทอมเนี่ยนะดูว่าใครทำต่อเนื่องและมุ่งมั่นกับโปรแกรม s n d เนี่ยถึงปิดเทอมนี้เนี่ยช่วงชั้นหนึ่งเราจะมีออ2อรางวัล น, นะก็ม .1 ถึงม .6 ก็12รางวัลเราจะนั่งเครื่องบินไป ทัศนาที่ทัศนศึกษาที่กรุงเทพอย่า น, น, น้อยก็ไปชมโรงเรียนก่อนพิทักษ์นะโรงเรียนกรพิทักษ์นี่เป็นโรงเรียนเอกชนแต่เขาเก็บตังค์แพงมากไม่ใช่เหมือนเราเอกเอกชนสงเคราะห์ที่พ่อครูทํานี่นะ เ, ะเราฟรเีเขาสวยที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนเขาแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดในกรุงเทพนะครับนะปีนี้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้เยอะเลยนะเราจะไปเที่ยวที่โน่นแล้วก็มีหลายโปรแกรมเดี๋ยวก็กาลังจัดโปรแกรมนี่ว่าเราจะไปค้างที่กรุงเทพส2คืนสวันนั่งเครื่องบินไปนะอันนี้เป็นรางวัลของคนตั้งใจเราไม่ได้แข่งกับใครทั้งนั้นแหะเราแข่งกับกิเลส ต, ตัวเองนะถ้าทุกคนไม่ฝึกให้ตัวเองมีความมุ่งมั่นต่อไปตัวแล้วเนี่ยเราทาไปทาําอาชีพอะไรก็ไม่สาเร็จหรกเราทำตามอรมตลอด นะคิดจะด่าใครก็ด่าคิดจะเตะใครก็เตะคิดจะทำอะไรก็ทำเมื่อกี้นี้เขายื่นให้พ่อครูนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามา ก, กครัพ่อครูเห็นข่าวเมื่อเช้าก็เลยบอกแก้วทิพย์ไปปรินออกมาพ่อครูวันที่ยี่สิบเดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเอากฎหมายมาตราสี่สิบสี่มาจัดการกับลูกหลานเราเนี่ยนักเรียนนักเลง กฎหมายทั่วไปใช้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เอามาตรา44เพราะว่ามันสร้างปัญหาเยอะมากตีกันฆ่ากันนะมั น, ม, นมันน่าเศร้าใจลูกเด็กนักเรียนอยู่ในวัยที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยนะมันน่าจะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้กลายว่ามีปัญหาจนกฎหมายทั่วไปใช้ไม่ได้ต้องเอามาตรา44แล้วผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วย ลูกหลานต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าครูเนี่เอ๊ะไม่กดดันเราเราต้องการทำอิสระเนี่ย เ, เราเป็นนักเรียนเราเป็นยุวชนเยา ว, วชนก็คือผู้ผู้อ่อนวหวผู้ประสบการณ์น้อยเราถึงมาโรงเรียนไงบางทีโรงเรียนต้องการหวังดีให้เราให้เราเป็นคนดีมีสำนึกแต่เราไม่ฟังเราไม่เรียนเราก็ไปทำอะไรที่มันมันต่อไปผู้ปกครองเดือดร้อนนะติดคุกด้วยนะผู้ปกครองนะต้องเอาเงินค้าประกันด้วย ถ้าผิดอีกทีหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองต้องติดคุกลกยึดต้องต้องโดนค่าปรับโรงเรียนก็โดนด้วยเห็นไหมมันน่าเศร้าใจไหมสิ่งดีๆเราไม่เอาหลอกไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเราอวดเก่งกันนะันนี้พ่อครูเนี่ยเพิ่งอันนี้เดี๋ยวอ่านเนมันเสียเวลายาวเดี๋ยวคุณครูไปประกาศไว้มันเกี่ยวกับพวกเราเราบอกว่าไม่แคร์ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยพ่อคูได้ยินข่าวนะ เร็วๆนี้ครูรายงานว่านักเรียนมัธยมเรามีบางคนบอกว่าครูไม่ใช่พ่อแม่แก็ถูกแล้วลูกครูไม่ใช่พ่อแม่ไงครูก็คือครูไงถ้าพ่อแม่สอนเป็นเราก็ไม่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยเราก็เรียนกับพ่อแม่ไงอย่ามาพูดเพื่ออวดดีนะลูกเพราะครูไม่ชอบยี่สิบ็ปีพ่อครูอยู่อเมริกาถอยมาอยู่ที่นี่พ่อครูใช้เงินไปหลายร้อยล้านทําศูนย์ทำโรงเรียนสองโรงเรียนเนี่ย ไม่เก็บเงินพวกเราในลูกนะน้องเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบโดยเฉพาะมัธยมเนี่ยเราไม่มีงบประมาณเรื่องอาหารกั้งวันเราไม่มีงบประมาณเรื่องรถรับส่งงบประมาณหลายอย่างไม่มีหนแต่พวกครูเนี่ยพยายามดูแลเพื่ออะไรนะไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นหนี้สินมูลนิธิดูแลตลอดเราให้มาตลอดนะลูกนะถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็รักองค์กรรักประเทศชาติได้ไหมต้องมีสมนึกนะเนี่ย ที่เขบอกว่าความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนดีเราอย่าอายทําดีหรกจงอายทําชั่วความชั่วร้ายมันน่าอายม า, น า, มากนะแล้วตอนนี้เพื่อนๆนเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยเห็นไหมมาภาวณาตัวบวชชีบวชเนน <c oughs> เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ พ่อหลวงกับแม่หลวงของเราในหลวงปีนี้เนี่ยพระ อ, องค์ครองราชครบเจดสิบปีนะราชีเนี่ยอายุท่านเนี่ยครบเจ็ดรอบแปดสนะิบสราะแล้วก็สองพระ อ, องค์เนี่ยกำลังประชวรอยู่เห็นหเขาเสียสละมาบวชนะหนึ่งเสียสละความสวยงามผมผมโกนคิ้วเสียสละเสื้อผ้าสวยงามมาแต่งชุดขาวชุดเดียว ที่นี่เรามีชุดดัให้ด้วยเพราปฏิบัติมันกิ้งกึงหรือการทํางานเดี๋ยวมันจะเปื้อ น, นเขาเสียสละกเขาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเนี่ยมาบวชนะเราต้องอนุโมทนาสาธุยินดีกับเพื่อนไม่ใช่ไปล้อเล่นเราไปล้อเล่นกับผู้ทรงศีลเนี่ยมันตีกลับมันเป็นบาปนะลูกนะใครยังทําไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดทุกคนทําหน้าที่ต่าง ก, กันตอนนี้เพื่อนเรายิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินอีกเห็นไหมเขาต้องมีความอดทนสูงนะการสนองคุณคนที่มีพ่ะคุณต่อเราเนี่ยต้องแลกด้วยขันติมีความอดทนนะสิ่งดีๆเราก็มีลูกมีแต่ว่าบางอย่างพ่อคุณได้ยินข่าวมาหลายปีแล้วว่าเอ๊แล้วลูกหลานมาอยู่โรงเรียนนี้ก็กี่ปีแล้วโดวยเฉพาะด่านเม่นไม่เคยหยุดนะลูกเห็นไหมพ่อครูสร้างไม่เคยหยุดในดขนาดสร้างขนาดนี้ยังไม่ทันเลยนะ แะเทอมนี้เรามีห้องโซนนะเพราะว่าก่อนพิทักษนี่ปีนึงเข้ามาตึกเช็คแอนด์แดนแล้วก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้กับโรงเรียนดูซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เด็กนักเรียนเข้าซัมเมอร์สองพันกว่าคนเมื่อกี้เห็นไหมเขานั่งเขานั่งอ่านหนังสือหนุกเขาอ่านเขาออกเสียงนี่ยเขาก็หมุนไปด้วยดูเสียงมันจะเข้าไปในหูนี่เข้าไปในจิตโดยตรงเลยไม่ผ่านสมองซีซาย นะพ่อครูเคยบรรยายว่ามีภาพยนตร์จีนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไปสอบจ้องงวนจ้องงวนนี่คือสอบปุ๊เป็นรัฐมนตรีเลยนะเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยเขาหมุนด้วยออกเสียงนะเสียงมันเข้าไปในหูมันเข้าไปในจิตมันไม่ผ่านความคิดนั่นแหละพอจะออกมาปุ๊บเขาก็หมุนมันออกมาข้อมูลไหลมาเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาทําได้ผลมากก่อนจะเข้าซัมเมอร์ดกรก้อยเนี่ยมาประเมินวิชาการเด็ก ๆ, ๆนะเสร็จพอซัมเมอร์เสร็จปุ๊บเนี่ คะแนนมันก้าวกระโดดเลยลูกอันนี้มันทําให้เรามีสมาธิแล้วห้องโสดเราเนี่ยนะโอเคเรามีหูฟังเนี่ยตาก็มองตัวนั้นนะถ้าเราถ้าเราหมุนใบหมุนเบาๆไปด้วยเนี่ยนะมองพุดเนี่ยดูดดูดเสียงเข้าไปเลยเนี่ยนะเหมือนเราเข้าเอาเข้าไปในเว็บไซต์เราไงเว็บไซต์เราคือจิตพอถึงเวลาปุ๊บมันจะไหลออกมาเลยลูกนะอันนี้ก็สี่ห้องนั้นนะพ่อครู ช่วงปิดเทอมต้องไปหาสตังมาล้านหนึ่งมาซ่อมสี่ห้องนั้นให้พวกเราไม่มีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เอกชนที่ไหนที่เขาทำแบบนี้แต่มูลที่พ่อครูทำนะลูกเห็นว่าเจตนาเนี่ยข้อที่แล้วมีลูกไข้เขียนจดหมายถามพรอครูว่าทำไมพวกครูต้องรักทุกคนไม่ใช่ญาติโกโหติกากันเป็นคำถามที่ดีมากนะ พ่อครูก็ถามตัวเองมา27ปีทําไมพ่อครูต้องทำแบบนี้นะพราครูอยู่อเมริกาดีๆเงินบักเยอะแยะพราครูเลิกหาเงินแล้วพ่อคูเที่ยวเตะหาความสุขไปตลอดชาตินี้ก็ไม่หมดแล้วพ่อคูทําไมต้องมาอยู่ในป่านี้เพราะพ่อคูรักชาติลูกอพราครูเกิดที่แผ่นดินนี้โดยเฉพาะจังหวัดอุบลในอำเภอเมืองนะเมื่อพ่อคูปฏิบัติธรรมมันเกิดอาการระเบิดปุ๊บเนี่ยพ่อคูเกิดสํานึกพ่อคูชี้กลับมาเกิดบ้านเกิดบังดอนนะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ก็ยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนเพราะครูรักชาติเพราะครูถึงรักพวกเราไม่ต้องการเพิ่มภาระให้พวกเราเพิ่มภาระให้พ่อแม่นะอย่างน้อยๆช่วยว่าไม่ลดภาระไม่ต้องไปเรียนเสียเงินอะไรเนี่ยมาเรียนที่นี่แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนเรื่องวิชาการเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเห็นไหม พ่อครูสรุปแล้วว่าเรามีอาคารสวยงามมีหลักสูตรที่ดีแต่ว่าถ้านักเรียนไม่เอาเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะว่าพ่อครูไปเรียนแทนเราไม่ได้ถ้าไม่มีสํานึกแล้วนี่ไอ้ที่ทํามาทั้งหมดมันศูนย์เปล่านะไอ้การเล่นการอะไรเนี่ยพ่อครูต้องการให้พวกเราอยู่ในกรอบพอดีแล้วตอนนี้การศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะเด็กในเมืองลูกจำถึงสุขไปท่องจําไม่พอ เสาร์อาิต์ไปเรียนพิเศษท่องจําอีกเพราะเขาต้องแย่งกันเข้าโรงเรียนดีๆไงโรงเรียนที่มันดีๆมันก็เอาข้อจมันเอาจํากัดเชื่อมันเอาร้อยคนเนี่ยคนเป็นหลายพันไปสอบอย่างงี้นะเพราะเราเราได้ที่ร้อยศูนหนึ่งเราไม่ได้เข้าแล้วไม่ใช่เราเป็นคนชั่วนะลูกแต่เราเก่งสู้มันไม่ได้เด็กต้องเป็นแพทยรับบาสนะแล้วตอนนี้จบด็อกเตอร์แล้วสามอาทิตย์ก่อนถ้าทุกคน ติดตามข่าวแล้วลูกด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยอายุหกสิบแล้วนะไปยิงด็อกเตอร์อีกสองคนอายุห้าสิบหกห้าสิบสี่ตายแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวเองตายอันนี้เนี่ยเรียกว่ามันลิงเรียนยิงโง่เนี่ยลิงเรียนยิงโง่คนที่ฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายเนี่ยมันโง่โง่ไม่มีอะไรโง่มากกว่านี้มันเดินทางไปสู่นรกไง การศึกษาทุกวันนี้เป็นแบบนั้นดูวยเน้นแต่เรื่อง iQ เก่งแต่เรื่องวิชาการแล้ววิชาการตัวนี้ไปเอาเปรียบคนอื่นพก็คุยอยู่อเมริกาไม่ใช่หรอกเขาเน้นไม่ใช่ iQ iQ คืออินเทลิเจนต์คุณลิตก็คือว่าเอ่อเก่งเรื่องวิชาการมีทางความฉลาดทางวิชาการแต่เรื่อง eQ ิเนี่ยเราแยกมากอ Q คิ EQ คือ emotion quality ก็คือว่า อารมณ์นะความสามารถทางอารมณ์ด้วยไ q คินะ IQ, ไม่พอต้องมี m อด้วยถึงจะสมบูรณ์ MQ มคนี่คือ m ม r a l i t y Quality หมายถึงว่าต้องมีศีลธรรมศีลธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนี่แหละคำตอบว่าทำไมเราต้องมาเข้าโปรแกรมนี้เนะมาตาสิบสี่นี่บังคับเลยนะโรงเรียนต้องหาวิธี นะนะมีโปรแกรมที่ทําให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมถึงจะเก่งแค่ไหนแล้วไม่มีคุณธรรมแล้วนี่ไปตายดีกว่าเดี๋ยวมาเอาความเก่งมันเนี่ยไปทำร้ายบ้านเมืองแล้วไปเอาเปรียบคนอื่นนะเก่งนี่ทีหลังเราต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมก่อนเมื่อเรามีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเรียนรู้อะไรเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนเราจะมีความรับผิดชอบเดี๋ยวมันเก่งเอง เหมือนสองวันนี้เราต้องกินข้าวป้าแขเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวไปเป็นหัวหน้าครัวเนี่ยนะป้าแขหั่นผักเก่งมากป้าแขใช้มีดเก่งมากแต่ถ้าวันไหนป้าแขกนี่อารมณ์ไม่ดีนะป้าแขเป็นบ้าขึ้นมาป้าแขก็เอามีดตัว น, นั้นอ่ะไปไล่แทงคนมันก็ไม่ต่างอะไรที่เราไปเรียนวิชาการเก่งๆแล้วเราก็วิชาการตัว น, นั้นน่ะไปไล่แทงคนแล้วก็ไปฆ่าคนไปเอาเปรียบสังคมน่นแหละ ตอนนี้การศึกษามันล้มเหลวจนบ้านเมืองต้องออกมาตาสี่สบสี่มาจัดการกับลูกหลานเราพราะครูเศร้าใจแต่เขาบอกว่ามาตรการที่เก่าๆมามันเอาไม่ได้ผลแล้วเพราะเด็กทุกวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเด็กแว้นบ้างเด็กอะไรบ้างนักเรียนกลายเป็นนักเลงบ้างสําหรับโรงเรียนศูนย์พารานคอยพ่อครูไม่เคยเรียกร้องอะไรกับพวกเราเลยแต่พ่อครูขอได้ไหมขอใช้คําว่าขอ ก็ครูสั่งการใครก็ไม่ได้นะชีวิตเป็นของเรานะไม่ต้องพูดหรอกว่าครูไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่ไงถ้าพ่อแม่สอนเป็นก็สอนเียกับพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนมันทําคนละหน้าที่อย่ามาพูดเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องทําตามระเบียบวินัย น, นะไม่ได้นะลูกโรงเรียนนี้ไม่ใช่ของค น, คนเราคนเดียวเราต้องรักษาโรงเรียนนี้ไปถึงรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปจะเอาแต่นิสยัยตัวเองมาใช้ สำหรับพารานคอยพวอครูขอนะอย่ามาทำแบบนี้คอที่แล้วหลายคนถามมาพรอครูไม่เหนื่อยหรือได้ยินมาที่นี่มีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องกรุงเทพแล้วก็เปิดเปิดศูนย์เช็คแอนด์แดนซ์นะตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้วนะแล้วพ่อครูจะไปทั่วโลกนะพวกเราเนี่ยเป็นต้นตำหรับนะลูกถ้าไม่รีบทำกันแล้วเนี่ยนะต้องใช้คำว่าเาเรียกว่า ใกลเกือกินด่เราไม่เห็นคุณค่าของมันตอนนี้นักกีฬาเห็นไหมเอาร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวพอมันไปแข่งมามันอยากเป็นแชมป์มันแพ้มันก็ฆ่าตัวตายเพราะจิตมันไม่แข็งแรงคนฝึกจิตนี่ก็ไปนั่งหลับตาฝึกสมาธิเอาจิตอย่างเดียวทรมานสังขารบางทีก็เป็นบ้าเป็นบอไปมันแยกส่วนลูกแต่ไอโปรแกรมเช็คแอนด์แดนซ์นี่มันแปลว่าอะไรเช็คนี่คือเช็คอัพโยมาย คือกระตุ้นจิตเราให้มันตื่นแดนส์นี่แดนเซอร์ไซส์ออกกำลังกายด้วยการเต้นลัามแล้วก็เราเข้าไปในจิตออกมากายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮลิสติกก็คือบูรณาการแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีนี่เพราะครูจะไปหาเรื่องให้คุณครูเสียเวลาลูกหลานเราเสียเวลาทำไมเรียนมันก็เหนื่อยแล้วไปเสียเวลาอั น, นี้สาคัญกว่าการเรียนในห้องเรียน ไอ้นั่นไล้สาระมันเรียนจบด็อกเตอร์แล้วมันก็ไปฆ่ากันไงแต่เราไม่เรียนก็ไม่ได้พอเราจะก้าวต่อไปมหาวิเลยมันก็ประเมินวิชาการเรากระทรวงศึกษาปากว่ า, าตาขยิบนบลูกนะคุณธรรมนำความรู้วิชาไหนบางสอนให้มีคุณธรรมมีไหมไอ้เจ็ดปดหมวดวิชาที่เขาบังคับให้เราเรียนเนี่ยมันสอนเรามีคุณธรรมไหมไม่แม้กระทั่งวิชาพุทธศาสนา มันก็เอาไปซ่อนอยู่ในวิชาสังคมนินดๆหน่อยๆแล้วไปท่องจําเพื่อสอบผ่านเฉยๆมันไม่ได้เกิดคุณธรรมศูนย์โรงเรียนศูนย์เราพยายามทําอยู่เนี่ยถ้าเราเต้นทุกวันอะไรเนี่ยคุณธรรมเดิมเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะแสดงตัวขึ้นมาคุณธรรมแปลว่าอะไรคนนี้ตอบได้ไหมลูกคุณธรรมแปลว่าอะไรตอบสิคุณธรรมแปลว่าอะไรฮ ะ, รอะตอบไม่ได้ บางทีพ่อแม่คูบาอาจารย์สอนว่าเธอต้องมีคุณธรรมนะเธอต้องมีคุณธรรมนะเนี่ยดต็ตรมาเทนี่เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือพราะคูถามว่าคุณธรรมคืออะไรตอบไม่ได้เธอต้องมีสิ่งที่ฉันไม่รู้นะเธอต้องมีคุณธรรมนะก็พ่อครูเล่าให้ฟังหลายปีก่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยคลอดลูก แล้วก็เอาไปทิ้งที่สะพานลอยกรุงเทพตำรวจเขาก็ไปสืบรู้ว่าแม่เป็นใครที่นี้พระครูถามเด็กๆที่นี่สมัยก่อนครูอ้อมนะรุ่นครูอ้อมครูคีเรียนกศนที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์ต้องมานอนที่ทุกคืนวันเสาร์ต้องมานอนที่นี่เรียนสองวันครูคีครูปุ้ยครูเอี้ยงสามคนนี่ ไปเรียนปริยาตรีปริยาโทเกียรติยมอันดับหนึ่งหมดเพราะเขาไมา่ได้ไปเรียนวิชาขยะเยอะเพราะครูก็ถามว่าเอาเด็กๆที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมคนนี้เลี้ยงไก่ไหมลูกเออมันออกไข่นี่มันออกลูกมันออกไขนะ่เนาะแล้วมันออกทีนึ่งหลายฟองมากลูกอถ้าเกิดเรามีชะลอมเอาไว้ที่สูงนะมันจะเลือกที่สูงนะลูกมันป้องกันไอสัตว์ต่างๆไปรบกวน แล้วมันออกไข่แล้วมันออกทั้งหมดแล้วมันทํำยังไงลูกมันทํำยังไงมันไปฟักใช่ไหมมันไปฟักไข่เนีลูกมันไปฟักจนมันออกเป็นลูกแล้วมันทํำยังไงมันก็เอาลูกมันออกมาทํามาหากินสอนลูกทำมาหากินทุกคนเคยเห็นแม่ไก่มันวางแผนเอาลูกไปจิ้งสะพานลอยไหมเคยไหมทําไมลูกมันมีคุณธรรม คุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณธรรมเราหายไปไหนหมดแล้วถูกไอ้ความรู้ผิดมันมบล็อกไว้บอกตีมันเลยฆ่ามันเลยเอาเปียบมันเลยนะนั่นคือความความสุขอันนี้คือเอาวิชาคือความรู้ผิดคุณธรรมเราตามธรรมชาติมันถูกครอบงำโดยความรู้ผิดเนี่ยที่เรามาเต้นเรามาเวียงเนี่ยเพื่อเอาหัวโขนเราออกลูก และไอ้คุณทรรมเดิมเนี่ยเรียกว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเด็กๆ ก, ก่อนพิทักษ์ครูก่อนพิทักษ์ชีวิตเขาเปลี่ยนตอนนี้ศีลห้าข้อแรกคืออะไรลูก ร, รู้ไหมห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองคืออะไรถามเพื่อนก็ได้ถามเพื่อนก็ได้ไดฮะเออข้อที่สามคืออะไร ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามพูดปดมดเท็ดผิดศีลในกามข้อที่สี่คืออะไรอ้าวห้ามลักขโมยข้อที่ห้าห้ามคือดื่มเครื่องดองของเมาเอาห้ามกินเหล้าตอนนี้ใครมีศีลห้าครบบ้างยกมือขึ้นศีลห้าใครมีครบบ้างยกมือขึ้นมีไม่ลูก ไม่มีแม้แต่หนึ่งคนเลยเลยทำไมลูกมันหายไปไหนเนี่ยคนที่หนึ่งที่สองที่สามน่ยรู้จักทาซานไหมทาซานเป็นจชาวป่าใช่ไหมมันมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปลี่ยนนะลูกทาซานกินเหล้าไหมกินไหมสูบุรีไหมไม่โกหกไหมไม่ มันมีศีลห้าอยู่แล้วศีลคือความปกติของจิตมันมีคุณธรรมแต่ตอนนี้เรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาศีลเราหายไปไหนหมดลูกใครบ้างไม่เคยโกหกยกมือขึ้นไม่มีโกหกหมดแม้กระทั่งโกหกคนที่รักเราด้วยคุณพ่อคุณแม่เราด้วยแล้วก็โกหกด้วย <c oughs> อย่าว่าแต่โกหกคนอื่นเลย <c oughs> แล้วทาไมศีลห้าเราหายไปไหนหมดลูก ค า, ารานไม่โกหกนะเพราะมันไม่มีกิเลสมันไม่มีความอยากเราอยากได้ของเขาเราก็โกหกเราอยากได้ของเขาเราก็ไปขโมยเห็นไหมเราอยากทั้งนั้นแหละมันครอบงาไม่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณเดิมเราศินห้าเราหายไปหมดมันมีอยู่แล้วลูกคุณธรรมเนี่ยมีอยู่แล้วนี่แหละคือเรามาเช็คแอนดแดนมาเต้นมาเหวี่ยงอะไรนี่ เบี่ยงไอ้ความรู้ผิดออกเดี๋ยวคุณกระทเดิมมันจะแสดงตัวลูกแล้วร่างกายจิตใจอารมณ์เราก็ดีขึ้นมันไม่มีอะไรเสียหายนะลูกตอนเช้าที่คุณครูให้พวกเราเต้นที่โรงเรียนน่นคุณครูเก็บสตังค์ไหมเสียเงินไหมลูกเห็นไหมเราไม่ได้เสียอะไรเราได้ออกกําลังกายออกกําลังใจออกกําลังจิตได้ปรับสมดุลทางอารมณ์ด้วยถามว่ามีอะไรไม่ดี แลวเดี๋ยวไอ้คุณทมสินห้าเรามันจะแสดงตัวลูกเพราครูเนี่ย40ปีวิ่งไปตามโลกบ้านปลายชีวิตไปอยู่อเมริกาเราถูกสอนว่าต้องเรียนเก่งๆนะลูกเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขทีนี้พวกครูรวยแล้วพวกครูหาความสุขไม่เจอมันไม่มีขายลูกมันออกมารุ่นใหม่ซื้อดีใจสามวันมันออกรุ่นใหม่อีก ทุกต้องหาเงินไปซื้ออีกเพราะว่ากลัวสู้เขาไม่ได้เพราะครูหาความสุขไม่เจอเห็นไหมเพราะเราถูกความรู้ผิดมันบล็อกไว้ไอคุณธรรมเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่แสดงตัวนี่แหละคือคําตอบว่าทําไมเราต้องมาเข้าค่ายมันกระเทาะเปลือกออกไอความคิดผิดความรู้ผิดออกและวไอคุณสมบัติตามธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะแสดงตัวขึ้นมานะ ก็เรื่องแรกเข้าค่ายรับถ่ายวินาทีนี้เปจนไปคุณครูเขาจะบันทึกคะแนนเราว่าเราตั้งใจในค่ายนี้แค่ไหนเฉพาะค่ายนี้เนี่ยรวมไปแล้วสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบคะแนนแล้วก็เวลาที่เหลือตลอดเทอมเนี่ยคุณครูเขาจะเก็บคะแนนทุกวันช่วงที่เราเช็คแอนด์แดนส์นะแลวรวมกันแล้วนี่เป็นร้อยคะแนนช่วงชั้นหนึ่ง จะได้ไปทัศึกษาที่กรุงเทพสองคนกลายเป็น12คนรถตู้หนึ่งพอดีกรุงเทพจะได้ไปไหนจะได้คล่องหน่อยหนึ่งนะเราไปค้างคืนกรุงเทพสองวันแล้วก็ไปกลับสองวันสองคืนสาวันนะนั่งเครื่องบินไปอันนี้ก็บอกไม่ใช่อามิตไม่อะไรเนี่ยเราต้องส่งเสริมคนทําดีนะอันนี้ไม่ต้องแข่งกับเพื่อนเรื่องนี้ต้องแข่งกับกิรลสตัวเองน ะ, ะดูคุณกูเข้าจะดูหนึ่ง มีความตั้งใจตั้งมั่นศรัทธามีความเสมอต้นเสมอปลายมีความใส่ใจกับสิ่งที่เราทําหรือไม่เราจะเจ็ดคะแนนกันะแล้วก็ทุกคนต้องเข้าใจดุข้อทีแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทาไมต้องเต้นทุกวันคนนี้วันหนึ่งกินข้าวกี่มือ้อลูกสองมือ้อเออแล้ววันหนึ่งอาบน้ํำไหม ไม่ต้องอาบได้ไหมตำรวจจับไหมแล้วทําไมอาบ ไ, ไม่ได้ล่ะฮะถ้าไม่อาบมันก็เปื่อนเนาะมันก็เป็นโรคผิวหนังเนาะเห็น ไ, ไหมแต่ตํารวจไม่จับเนาะไม่ผิดกฎหมายเนาะแล้วทําไมมันไม่ได้ลูซีไม่ต้องอาบน้ำมันหลบปีนึงมันอาบครั้งหนึ่งก็ได้คนนี้ไม่กินข้าวได้ไหม ทำไมลูกไม่กินแล้วมันเป็นยังไงมันหิวเนาะหิวก็เป็นลมใช่ไหมไม่ต้องกินหรอกเผลืองเงินลูกปีหนึ่งกินครั้งเดียวก็พอนี่แหละคำตอบว่าทำไมต้องปฏิบัติทุกวันเราอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็เปื่อนอีกใช่มอ่าแล้วก็ต้องอาบอีกอันนี้เต้นเหมืองเต้นแล้วก็แข็งแรงถ้าเราเลิกเต้นปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงมันก็หมดไปเขาปฏิบัติทุกวันนะ ที่บ้านใครเลี้ยงปลาบ้างยกมือขึ้นใครเลี้ยงปลาบ้างมีไหมหรือว่ามีไม่ไม่อยากพูดเห็นไมเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกกเดี๋ยวด้เช็คแอนแดนบ่อยๆเพื่นเนียเราจะกล้ากล้าที่จะทำดีทุกวันนี้เราทําดีเรากลัวว่ากลัวเพื่อนจะแซวถ้าเพื่อนดีๆของเราเนี่ยมันต้องไม่แซวเราหรอกถ้าเพื่อนดี ถ้าเพื่อนมันแซวเราก็ถือว่ามันไม่ดีไม่ต้องคบก็ได้เพราะเาันต้องคบมันดีไอ้เพื่อนแบบนี้ไม่ต้องไปแคร์มันนะอย่าคบดีกว่าเสียเวลาชีวิตบัณฑิตเนี่ยเขาเห็นเราทําดีเขาจะโอ้สนับสนุนแบบดีใจด้วยนะเพื่อนได้ดีต้องโอ้นีโมทนาอันนี้เขาทําดีไปแซวเขาตัวเองไม่ยอมทําดีไปแซวไอ้คนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่สังคมน่ารังเกียจ กลายเป็นว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นตงจักเป็นดอกบัวทําดีไม่กล้าทํากลัวเพื่อนแซวแต่เพื่อนชวนทําชั่วเนี่ยต้องทํากับมันเดียมันก็ว่ากุยสังคมมันตาลปัดแล้วนะลูกเขาถึงออกมาตาสี่สิบสี่ขึ้นมาเลโรงเรียนศูนย์พนันข่อยพวกครูขอนะลูกไม่งั้นพ่อครูปิดโรงเรียนถ้าถ้าขอพวกเราไม่ให้พวกเราถือสิทธิในตัวเราพวกครูก็ใช้สิทธิ์พ่อครูก็ปิดเลย ไม่ต้องไปหาเงินแบกตตังมาใส่เขาไปอีกยกให้รัฐบาลไปทำอย่างอื่นเห็นเพราะครูกวาดใบไม้ก็ได้บุญแล้วนะ่ที่ผ่านมาไม่ใช่หลังจากศึกษากับครูเขารายงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็ดีไงลูกมีส่วนน้อยเท่านั้นน่ะนะที่มาตา ส, สีมันกำลังจ้องอยู่ต่อไปพวกคูยอมไม่ยอมปล่อยนะโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วยแล้วผู้ปกคอรองต้องรับผิดชอบต้องมาเซ็นสัญญาต้องเอาเงินค้าประกันมานะนอกจาก เราบอกว่าเฮ้ยไม่เรียนก็ได้อ น, นั่นก็เป็นสิทธิแต่ถ้ามาเรียนแล้วเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงนะเราต้องมาเรียนไม่ใช่มาแล้วขี้เกียจเรียนแล้วจะมาทำไมเห็นไหมก็ไม่ต้องมาช่วยพ่อแม่ปลูกผักทำสวนครัวยังมีประโยชน์กว่าอย่าให้เราแก่ตายไปวันวันหนึ่งนะลูกมันไม่มีประโยชน์เรามาเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะชีวิต แล้วก็พอเราจบออกไปแล้วเนี่ยทุกคนบางคนได้เรียนต่อเรียนต่อยิ่งต้องมุ่งมั่นเออบางคนไม่เรียนต่อก็เอาทักษะตรงนี้เนี่ยไปดำรงชีวิตนะเราก็เสียเวลาเท่ากันะวันหนึ่งต้องเสียเวลามาแล้วไอเรียนกับหนีเรียนเนี่ยคุณก็แก่ไปวันหนึ่งแล้วคุณจะไปหนีทําไมเอาไม่หนีไม่พอยังไปกวนเพื่อนอีกทําให้เพื่อนพลาดโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยเพราะครูถึงสร้างห้องโสน เพราะเราวิเคราะห์มาหลายปีแล้วเด็กชนบดตอนนี้เป็นยังไงสมาธิสั้นชอบเล่นกันในห้องครูพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วมันจะไปรับได้ยังไงอันนี้ปิดหูไว้ซะปิดหูไว้ซะนี่หละช่วยได้ระดับหนึ่งก็ปิดม่านด้วยแต่ก็ยังเอาไมา่อยู่หรอกบางคนก็คือไม่อยู่ก็ถ้าเอาไม่อยู่นะแล้วก็เกิดจะลามไปทำให้องค์กรเสียเนี่ยพวกครูก็ต้องเชิญปกครองมาคุยกันแล้วเอามาตาสี่สิบสี่นี้ให้เขาดู เขาเพิ่งออกมาเมื่อวันก่อนนี้เองมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากเด็กๆต้องถูกคอบคุมด้วยมาตาสี่สี่มาตาสี่สี่นี่เขาชีว้ว่าเอาคนนี้ไปยิงเป้าก็ได้เลยนะบอกสั่งมึงโดดนะมึงโดดไม่โดดเขาก็ยิงเลยนะเขาทำได้ทุกอย่างมันน่าจะไปใช้กับไอ้เรื่องที่มันเลวร้ายมากมันมาใช้กับเด็กๆแต่ที่นี้แสดงว่า ปัญหาเด็กๆมันเลวร้ายมากนะตอนนี้เมืองไทยมีที่หนึ่งหลายอย่างเลนะคุณมีเวลาอย่างหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวตอนนี้มาอันดับหนึ่งของโลกคือคุณแม่อายุน้อยที่สุดเจ็ดขวบตั้งทองละแ8ดขวบเป็นคุณแม่แในข้อที่พนบุรีแล้วยยังไง เล้วอะไรไปเลี้ยงลูกนะถ้าเรารักกันจริงๆลูกถ้าคนรักกันจริงๆต้องไม่ทำร้ายกันต้องห่วงอนาคตเขาอดเปรี้ยวกินหวานนะพอเรามีครอบครัวฐานะเราไม่เดือดร้อนลูกออกมามันก็ไม่เดือดร้อนไนอ่ะอันนี้ทาตามบารมีม า, มาพอเสร็จปุ๊บฉันยังไม่พร้อมฉันยังฉันยังไม่พร้อมมั น, ม, น ม, มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย แล้วมันไม่ใช่แม่ที่ดีไม่ใช่สะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อที่ดีสาวที่ดีแล้วอยู่ในวัยคนนี้รู้จักมะม่งวงน้ําดอกไม้ไหมเคยกินไหมลูกเขากินตอนที่มันสุกหรือมันดิบถ้ากินตอนดิบมันเป็นยังไงไม่อร่อยเนาะนั่นแหละอดเปรี้ยวอดทนหน่อยนึงลูกให้มันสุกงอมเต็มที่ไปกินตอนมันสุกนาะมันหวานมันถึงจะมีความสุขมันถึงจะมีอร่อย แต่ตอนนี้เนี่ยเราใจร้อนไปนะตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่เราเป็นนักเรียนเราต้องเสริมทักษะชีวิตทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องนี้ตอนนี้เรามาเข้าค่ายเสริมทักษะชีวิตเพราะครูสอนวิชาชีวิตลูกด็อกเตอร์หลายแขนงต้องมาที่นี่นะตอนนี้คนทั่วโลกมาที่นี่นะเขาได้ยินฟังยูทู e กูสามสี่ปีแล้วเขาก็พยอยกันมา คำว่ามูนเนื้อที่เพื่อผู้ ด, ด้อยโอกาสศูนย์พลานคอยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนจนนะไม่ได้แปลว่าคนจนนะผู้ ด, ด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตมันเก่งวิชาการเป็นด็อกเตอร์แล้วมันถึงฆ่ากันตายกันมันไม่รู้ว่าชีวิตมันคือใครคนนี้ถามอะไรก็ไม่ตอบภาษาจีบบอกหัวอยู่ถามชื่อก่อนคุณชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรลูกต้น ใครตั้งให้ฮะใครนะไม่รู้เห็นไหมเราเกิดมาปุ๊บเขาก็ตั้งชื่อต้นนะดีไม่ดีแถมศาสนามาด้วยห่ะเธอเป็นพุทธนะเป็นคิดนะเป็นอิสลามนะโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วเขาก็ส่งให้ต้นนไปเรียนวิชาอะไรนะวิชาสร้างอนาคตต้นหนูหรู้เปล่าว่าตัวเองเป็นใครหัวอยู่ เป็นใครรูกฮะใครรู้บ้างว่าตัวเองเป็นใครยกมือขึ้นเพราะคูจะให้รางวัลยกสิตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วจะไปรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นใครหรือเปล่าพี่ต้นรู้ไหมตัวเองคือใคร เราเลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราไม่รู้เลตัวเองเป็นใครเราไม่รู้เลยชีวิตคืออะไรและเราจะบริหารชีวิตตัวเองถูกต้องหรือเปล่านั่นแหละด็อกเตอร์มันต้องมาเรียนที่นี่เพราะมันเรียนแต่วิชาการนะนี่เป็นหมอนี่เป็นพยาบาลนนี้เป็นครูอันนี้เป็นนักธุรกิจอันนี้เป็นนักกฎหมายมันเป็นนักนักนักนักมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ใครบ้างรู้ว่าตัวเองเป็นใครลองยกมือขึ้นทิศแรกเด็กกับพ่อครูลูกอย่าอายทําดีไงเรียนรู้ด้วยกั น, นเนาะพ่อครูก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครสี่สิบปีลูกรู้แต่ว่ากูเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักเล่นเรียกว่าพี่เพราะกูตัวเล็กๆนะมึงตายเลยนะเพราะเงินเราเยอะไงพูดขัดหูไม่ได้ละมึงเรียบร้อย เพราะพวกคูไม่รู้ว่ากูเป็นใครไนงะกูกลายเป็นนักเลงเรียกพีนะ่เงินมันไม่มันไม่ทำให้พวกคูมีความสุขแต่หลังจากจิตมันระเบิดปุ๊บเนี่ยรู้แล้วเราเป็นใครถึงมาอยู่ในป่านี่ไงเนะีนะ่ยมาอยู่ในป่านนะก็เดี๋ยวสองวันนี้คุณครูคเขาจะมีให้พวกเราเขียนคาถามขึ้นมาทุกคนนะมีอะไรอยู่ในใจเนี่ยทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ช่างเนี่ยนะเขียนถามมานะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยพ่อครูจะจะตอบพวกเรานะช่วยกันหน่อยลูกพ่อครูฝากโรงเรียนนี้ไว้กับพวกเราโรงเรียนนี้ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นพ่อครูทําคุณไปแล้วก็จบแต่เราก็มีหน้าที่ดูแลมันแล้วก็ต่อไปรุ่นลูุ่นหลานนนดูแลมันต่อไปะเราตายไปแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้นะ ไม่ได้สริ้งหนึ่งก็เอาไปไม่ได้มันไม่ใช่ของเราสักสักอย่างหนึ่งคนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรเฮ้ยเปีไยไครตั้งให้เขาเคยปรึกษาเราไหมเห็นไหมเขาเรียกชื่อที่เขาเรียกพอใจเขาก็เรียกเราก็กลายเป็นเปียบางทีน้องเปียถ้าไปเกิดเป็นไปเกิดอยู่ยุโรปหรืออยู่อเมริกา อาจจะชื่อเจสซี่ก็ได้นะมันเป็นแค่ชื่อสมมุติลูกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครเห็นไหมนี่แหละเรามาเช็คแอนแดนทาไปเรื่อยๆเราเข้าไปในเว็บไซต์เราเนี่ยเราจะรีวายไปดูอดีตว่าเรามาจากไหนเราเคยเกิดเป็นอะไรทํำไมเกิดมาอยู่ในร่างนี้ที่เขาตั้งชื่อให้เราชื่อเปียเราจะเห็นสิ่งนั้นเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเราจะเห็นลูก เราจะรู้ว่าตายแล้วไม่จบเอา้าอนาคตยังไม่เกิดทำไมเรารู้ถ้าจะรู้อนาคตเราต้องไปอดีตก่อนอดีตเป็นบทเรียนทำให้เราเห็นอนาคตเราเข้าไปเว็บไซต์เราเราจะระลึกชาติดได้ทำไมจิตดวงนี้มาเกิดอยู่ในร่างผู้หญิงชื่อเปียทำไมมาเกิดอยู่ในร่างชื่อต้นทำไมลูกฝาแฝดคู่นึงขึ้นมาเนี่ย วิทยาศาสตร์มันไปนวิจัยแล้วว่าเฮ้ยดีเเหมือนกันเลยหน้าตาใครยคลาย้คล า, ยคลายกันเหมือนพ่อแม่แต่ทําไมไอ้นี่ขี้แยไอ้นี่ไม่ขี้แยไอ้นี่ไอสูงไอ้นี่ IQ ต่ําพ่อคูถามนักวิทยาศาสตร์เขาตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปในจิตเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ว่าทําไมกรรมที่เราสร้างมาในอดีตเนี่ยมันบันทึกยกตัวอย่างว่าใครเราเล่นคอมพิวเตอร์นะลูกเขามีฮาร์ดแวร์ นะคือเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่าฮาร์ดแวร์มันมีซอฟต์แวร์คือแผ่นดิสเนี่ยคือซอฟต์แวร์รู้ไหมลูกรู้แผ่นดิสไหมรู้จากซอฟต์แวร์นี้ไหมอ่าพอเราดึงมันออกมาจากเครื่องนี้เนี่ยเราเอาไปเสียบใส่เครื่องอื่นถามว่าโปรแกรมมันมันหายไหมมันตามไปลูกจิตเราเหมือนกันในอดีตเราเราทำดีทำชั่วบันทึกไว้เต็มๆ เ, เลยแล้ววินาทีที่ไอ้ร่างกายนี้มันตายจากเราเนี่ยนะ มันก็บวกลบคุณหาเลยมึงทำชั่วกี่ครั้งทําดีกี่ครั้งเวลานั้นมึงวางได้ไหมปุ๊บขาดทุนชาตินี้ขาดทุนสมมติร่างกายเรานี่เปรียบเสมือนรถอ้าวรถเก๋งที่แพงแพงที่สุดเราเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ถ้าเรามาทำชั่วป๊บมันไปเกิดอยู่ในร่างรถตุกๆร่างที่ไม่สมบูรณ์ร่างที่เป็นซื่อบือ้อไม่มีไอคิแล้วก็บางคีขาเป๋ด้วยเดินเดินไม่ได้ ไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนมากำหนดให้เราไปเกิดเป็นอะไรนะลูกกรรมที่เราสร้างนี่เป็นตัวกำหนดทีนี้รู้ได้ยังไงฉันไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลูกปฏิบัติปลดปล่อยจิตเราอิสระเดี๋ยวจิตเดิมเราเนี่ยมันจะมาบอกเราเองจิตเดิมเราคืออาจารย์เราพราะครูนี่เป็นครูบาอาจารย์ข้างนอกฟังหูไว้หูพ่อครูมีหน้าที่ชี้ทางให้ พ, พ่อครูปฏิบัติแทนเราไม่ได้ แต่เมื่อเราปลดปล่อยจิตเราแล้วเนี่ยจิตเราจะไปเรียนรู้จิตเดิมเราเนั่นแหละอาจารย์เราอาจารย์ของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันเพราะเราฝึกวิชามาไม่เหมือนกันหลายชาติพระแขเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเกือบจะตายเป็นโรคไฟไข้เจ็บนะหมดจะไปนั่งหลับตาตามลมหายใจอน่ยมันไม่ได้ทํางานมันมีแค่สตินะพอจิตแกส่งเข้าไปในจิตเนี่ยจิตเดิมมันมันเคยเป็นโยคีมา ฝึกโยคะมานะมันก็เอาวิชายโยคะเนี่ยมาสอนพระแขกทำสามสี่วันแรกพระแขระบมไปบวดร่างกายไม่คุ้นเคยแต่ตอนนี้พระแขทขําโยคะได้ไม่ต้องไปเรียนนี่คือตัวปัญญานะแล้วก็โรคไัยไข้เจ็บก็หายไงอันนี้คือตัวปัญญานะทุกคนทําได้เลยแล้วน้องน้องเราตอนนี้มาบวชชีบวชเนนนะไม่ชีตัวเล็กสุดตอนนี้อายุสี่ขวบน้องฟ้าห้าขวบเข้าไปในจิตได้แล้ว หลายคนทําโยคะได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนจิตเดิมเรามันฝึกมาแล้วเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์เราเลนะเราเราไปลิงก์โปรแกรมนี้โปรแกรมนี้เราก็เรียนรู้กับมันเรื่องจิตวิญญาณเราก็เป็นแบบนี้นะทุกคนทําแล้วเราจะฉลาดขึ้นแล้วก็อารมณ์ที่บางทีเราเบื่อหน่ายเราก็ทําอะไรบ้าๆบอๆ บ, บ, บ้างเป็นลังแกเพื่อนบ้างกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน เอากรรมที่ไปสร้างใกายเป็นเรื่องสนุกสนานนะซึ่งพ่อครูใช้คำพูดวันน่าเสียดายน่าเสียดายชีวิตเรายิ่งเกิดมาเป็นผู้ชายนะลูกเราต้องแข็งแกร่งโดยสลีละเราแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะเราต้องเอาความแข็งแกร่งเราเนี่ยมาแบ่งปันให้เพีร์อ่อนแไม่ใช่เป็นรังแกเขาชายชาติอาชาในเนี่ยนะที่พ่อครูบอกว่าพ่อครูถ้านักเลงจริงๆเนี่ยพ่อครูกาวได้นะ กาบตีนก็ได้นะกาบตีนเลยแหละเพราะกูชอบนักเลงจริงแต่ตอนนี้หายีสิบเจปีมาอยู่ที่หายังไม่เจอไม่มีมีแต่อันธพาลหัวไม้มีแต่คนเอาเปรียบคนนึงนักเลงจริงๆโบราณเนี่ยเขาตัดเนื้อตัวเองนี่ให้คนอื่นได้อดได้ทนได้เสียสละได้ช่วยเหลือเพศออ่อนแอได้นั่นแหละคือนักเลงตัวจริงทั้งนี้เป็นแค่อันธพาลหัวไม้รังแกคนอื่นว่ากเูเก่งถ้าคุณเป็นนักมวยมันก็ชกเก่งกว่าเขา เอาไหมไม่หลังไม่ยิงปืนเก่งกันไหมอ่ะมันดวลกันไปว่าคุณเขาสู้เขาไม่ได้เขายิงปืนแม่นกว่าคุณคนเรามันเก่งคนละอย่างแต่ถ้าเรามีสํานึกเราเป็นชายชาติอาชาในเนี่ยนะเราต้องเอาความเก่งของเราเนี่ยมาช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละคือนักเลงตัวจริงทุกวันนี้ไม่ไม่มีหรอกนี่แต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละนะอันนี้ก็ให้ข้อคิดลูกยิ่งเกิดมาเป็นผู้ชายได้เปรี่ยนผู้หญิงแล้วว่าสลีละเราแข็งแรงกว่าเขาเนี่ยเราต้องเอาความแข็งแรงกวของ เขาเนี่ยมาทําบุญมาสร้างกุศลให้กับตัวเองไม่ใช่ไปรังแกเขาไม่ใช่ไปข่มเหงเขาไม่ใช่เอาเปรียบเขาอันนั้นเป็นกรรมนะลูกนะนี่ก็ก็ก็บอกนะเพราะครูก็เป็นผู้ชายไนงะสมัยก่อนพวอครูก็สิ่งจำไว้นะพวกครูเป็นยุวชนเยา ว, วชนมาก่อนเราแต่พวกเรายังไม่เคยเป็นคนแกนะ่ไม่รู้ว่าคนแก่เนี่ยประสบการณ์แค่ไหน ล้วพ่อคุณไม่ใช่เป็นยุวชนเยา ว, วชนธรรมดานะไม่ใช่เป็นเศรษฐีธรรมดานะนักเลงเรียกพี่ผ่านโลกมาหมดแล้วนะตอนนี้นี่สิเจ็ปีนี่ก็เอาส่วนเกินมาแบ่งปันส่วนเกินทางด้านเงินทองก็เอามาสร้างสาธารณประโยชน์ส่วนเกินทางด้านภูมิปัญญาทางประสบการณ์ก็เอามาแบ่งปันส่วนเกินของเวลาแทนที่จะเวลาไปเที่ยวเตะไปเสพสุขก็ เ, เวลาตัวนี้เนี่มาแบ่งปันให้ชุมชน ถามว่าใครสั่งพ่อกูใครจ้างพ่อคูได้ไหมเท่าไหร่ก็จ้างพ่อคูไม่ได้พ่อครูหนีมันมาเงินนะพ่อคูบอกนะเรามีเงินเราก็ใช้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้อยาว เ, เป็นเงินเป็นพระเจ้าทะเลาะ ก, กันกับพ่อเงินเงินมันเหม็นมากลูกเคยเไปดมไหมใครเคยเอาเงินไปดมไหมขอทานก็จับไหมลูก เท hey, ขยะ ก, ก็จะมีแต่เชื้อโรคนะพวกธนาคารธนาคารเนี่ยถ้านั่งเอามือนับทุวกวคนนี้มันมีเครื่องแต่ถ้าเอามือนับบ่อยๆเนี่ยนะเป็นมะเร็งกันหลายคนแล้วก็สูดอากาศตัวนั้นเข้ามาอยู่เมกาเงินพวกคูเต็มบ้านเลยเหม็นมากพ่กคูไม่ได้ดูถูกเงินนะพวกคูไม่ได้เหม็นเงินแต่เงินมันเหม็นมากมันเป็นแค่เครื่องมือมีปุ๊บเราก็ใช้มัมนไม่มีก็อย่าไปทุกข์กับมันแต่ตอนนี้ไปทุกข์กับ แย่งกันอยากได้เงินก็ไปโกงของเขาก็ไปป้นของเขาก็ขโมยของเขาเห็น ไ, ไหมทั้งหมดก็คือเราไม่เข้าใจชีวิตนะสองวันครึ่งเนี่ยก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะมาเข้าค่ายอย่างมีความสุขไม่ต้องเครียดลูกอย่าอายทำดีมีอะไรแลกเปลี่ยนมีอะไรสอนพ่อครูหน่อยหนึ่งมีอะไรบอกพรอครูหน่อยหนึ่งว่าโรงเรียนเราขาดอะไรที่นี่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่มีอะไรไม่ดีบอกพ่อครูหน่อยหนึ่งนะไม่ต้อง เออพ่อครูไม่เคยทวงหนี้ใครนะว่าเออพ่อครูทำดีกับเธอโตขึ้นมาต้องมาเลี้ยงดูพ่อครูไม่ขอให้เป็นคนดีในสังคมไปที่ไหนก็ได้หลายรุ่นต่อรุ่นนะครูเราหลายคนกับมูลนิธีส่งไปเรียนนะจบเออถ้ามีงานจากอื่นไปดีไปเลยนะไม่ต้องมาจ่ายหนี้ไม่มีทำบุญก็หายไปเจอบางคนอยากมาช่วยกันมาทำงานที่นี่ดูแลน้องๆก็มาเห็นไหมมูนิธีก็ คือรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเราโรงเรียนศึกษาสงเคร์นี่น้อยมากข้อที่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขียนบอกว่าอาหารนี่จําเจซ้ำซากมากอาหารที่นี่เขาจันการพูดธริหัตสุกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างน้อยน้อยเขาเข า, เขาดูเรื่องอะไรล่ะเรื่องให้มันครบห้ามู่ซะทีนี้พวอ ก, กูก็เล่าให้ฟังว่า งบประมาณอาหารเราเนี่ยเราไม่มีแม้ต่บาทหนึ่งนะลูกแต่พราะมัธยมเราเนี่ยม .1 ถึงม .6 เนี่ยนะส่วนประถมเนี่ยรัฐบาลให้มาส่วนหนึ่งนะมูลนิธิก็ใส่เข้าไปส่วนหนึ่งให้มันพออยู่กินได้เพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้นทุกวันนะทีนี้มัธยมนี่เราต้องแบกเราร้อยเปอร์เซนเลยว่าพ่อคูต้องการอะไรที่เราทําได้ต้องทําเพื่อไม่ให้เราเป็นภาระถ้าเกิดว่าทุกคนหากินเอง ก็เป็นพาราพ่อแม่ผู้ปกครองอีกคนมีตังก็ซื้อเยอะๆไอ้คนไม่มีตังมันก็เหลื่อมล้าเนี่ยพ่อครูทําอย่างนั้นไม่ได้แต่หลังจากเข้าคอร์สมกี้นี่พ่อกูกำลังมีความคิดว่าเอาล่ะเราโตแล้วบางทีเสาทิศเราก็ไปหาเงินได้ไปไปทํางานเนี่ยก็เขาบอกว่าอาหารก็จําเจอยู่ที่นี้ไม่ครัวเรารู้จะเปลี่ยนยังไงมันจะเปลี่ยนยังไงนะก็เราพยายามอยู่ลูกพยายามทําให้มันอย่างน้อยๆทุกคนต้องอิ่มส่วนมันจะ ดีเลอเลิศแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเห็นใจทางนี้ด้วยอะลูกเฉลี่ยเฉพาะมัธยมเนี่ยจากมหนึ่งถึงมปีนี้เพิ่งมีมหกเนาะที่ผ่านมาปีหนึ่งเฉพาะค่าอาหารล้านกว่าบาทเฉพาะมัธยมมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันกินทุกวันเนละแล้วไม่ครัวที่นี่ต้องทำวันหนึ่งเลี้ยงคนพันคนสองโรงเรียนครูด้วยแล้วก็ญาติทรรมมาด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเห็นใจที่นี่ด้วยเพราแต่ว่า เพรากูกําลังมีโครงการอยู่เราจะไปสร้างเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเข้าไปโดมกลมๆเนี่ยนะเรียกว่าสุเดียนยานเนี่ยไปที่ด่านเบนตรงข้างหน้าโรงเรียนเราทางทางทิศทางโน้นนะแล้วก็ทําเป็นศูนย์อาหารลูกแล้วก็เราจะเปิดอาชีวะเรื่องอันนั้นสอนเรื่องโภชนาการส่วนเราจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านน้นร้านาน้รนร้านนี่นะ น, นี้ก็ปล่อยให้คนทั้างนอกมากินได้ด้วย แล้วก็มัธยมเราอย่างน้นอยๆเราก็มีกินฟรีนั่นแหละแต่ถ้าไกลมีกําลังจะซื้ออะไรเพิ่มก็เป็นสิทธิยุคนี้แต่อย่างน้นอยๆทุกคนต้องมีกินฟรีก่อนนะอันนี้อันนี้พอกูกำลงังวางแผนอยู่แล้วก็วันนั้นพอกูไปแอ บ, บดูคุอออมก็เอาเครื่องดื่มมาขายอะไรเนี่ยนักเรียนก็ยืนเรียงแถวอยู่นะเพราะมีเวลาน้อยที่จะไปซื้อเนอกก็พอกูสู้ความจริงหรุกเมื่อยุคนี้มันเป็นแบบนี้ก็เปิดเปิดบ้าง ที่ผ่านมาพวกกูระวังเรื่องไม่อยากให้ไปแข่งกันเรื่องวัตถุนิยมเรื่องความเหลื่อมล้าสังคมตอนนี้มือยาวสาวได้สาวเอาคนยิ่งรวยก็ขอบเข้ากับตัวมันคนไม่มีก็ไม่มีเนี่ยทรัพยากรในทุกในสังคมมันมีจํากัดไอ้คนที่กําลังมากกว่ามันก็ดูใส่ในตัวมันไอ้คนที่ไม่มีจะกินก็มีกินเพราะคูระวังมาตลอดนะในอย่างน้อยๆก็โอเคเราก็รู้ว่าอย่างน้อยๆทุกคนมีกินอาหารฟรีเหมือนเก่าแต่ ถ้าใครมีส่วนเกินจะไปซื้ออะไรกินบ้างอันนี้อันนี้ก็ต้องปล่อยอันนี้คือทางสายกลางเรานะแล้วก็เทอมนี้จักไม่ทันนะเดี๋ยวก็เริ่มสถานที่เรื่องอะไรด้วยแล้วก็ปีหน้าน่าจะทันอยู่ลูกครูขีกําลังติดต่อไาชีวะอยูนะ่ต่อไปจบม .6 ที่นี่เนี่ยเราได้วุฒิสองใบคือมัธยมปลายแล้วก็ปวชที่เขาให้เราเลือกอเราคณะเดียวเพราะครูเลือกค้กรรมศาสตร์ ที่นี้มันใส่หลายโปรแกรมเข้ามาได้นะเรื่องเรื่องอาหารด้วยเรื่องนวดแผนไทยด้วยเรื่องสมุนไพรด้วยหรือตัดผมเสริมสวยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในค้ากรการ ม, มาฝากนะแต่ต่อไปนี่เรียนปุ๊บเราก็จะได้วุฒิพร้อมกันนะอันนี้เราก็กําลังทําอยู่ก็ก็ให้เวลาโรงเรียนเนาะโรงเรียนไม่หยุดลุกกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ช่วงที่เราอยู่โรงเรียนนี่ ก็ขอให้ทุกคนดูแลโรงเรียนหน่อยหนึ่งดูเอาเป็นว่าพ่อครูขอซะบางอย่างเราไม่ชอบแต่ถ้าเป็นนโยบายขององค์กรเนี่ยก็ทํากับเพื่อนซะเพื่อให้องค์กรมันเดินได้ไม่ใช่เราดื้ออยู่คนไม่กี่คนแล้วก็ไปขัดแยง้งทําให้โปรแกรมเดินไม่ได้แล้วตอนนี้มาตาสีออกมาด้วยนะเรื่องความประพฤติดูมันจะกระทบถึงองค์กรด้วยกระทบถึงพ่อแม่มันเอาถึงขั้นว่าเสียเงินติดคุกด้วยนะมันน่าเศร้าใจมากแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้ ยิ่งเมืองหลวงยิ่งเมืองมันเป็นอย่างนี้หมดลูกยกพวกตีกันฆ่ากันเห็นไหมเขาก็เลยต้องใช้มาตาสีสนะเพราะครูคิดไม่ถึงว่าพวกครูถอยมาจากอเมริกายี่บเปีบ้านเมืองพัฒนาจนเป็นแบบนี้นะโอเคพค่อครูหยุดแค่นี้ก่อนแล้วทุกคนจะได้เตรียมตัวข้างห้องน้ําแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็กี่โมงมาพบกันฮะเที่ยงเพงไปที่นูน ไปไปทานข้าวหลก